ข้อที่21เเรื่องลูกนอกแขกเต้าดังได้สดับมาในอดีตการได้มีลูกนอกแขกเต้าสองตัวพี่น้องในป่านิ้วใกล้าสานุบบันพศก็ในด้านเหนือลมแห่งภูเขาได้มีบ้านที่อยู่อาศัยของโจร500รในด้านใต้ลมได้มีอาสมที่อยู่อาศัยของฤาษี 500ในเวลาที่ขนปีกลูกนกแขกเต้ายังไม่ออกได้เกิดลมหัวด่วนขึ้นแล้วลูกนกทั้งสองนั้นถูกลมนั้นพัดไปตกตัวและแหงบรรดาลูกนกสองตัวนั้นตัวหนึ่งตกในระหว่างอาวุธในบ้านโจนประเหตุที่ตกในที่นั้นพวกโจนจึงขนานนามว่าสติคุมภะ เติบโตในระหว่างโจรเหล่านั้นตัวหนึ่งตกในระหว่างดอกไม้ที่หาดทรายใกล้อสมพระเหตุที่ตกในที่นั้นพวกฤาษีจึงขนานนามว่าภูพะกะเติบโตในระหว่างฤาษีเหล่านั้นคราวนั้นพระราชาพระนามว่าปัญจละในพระนครชื่ออุตรปัญจละ ทรงประดับเครื่องอลังการพร้อมศักดิ์เสด็จทรงรถไปป่าเพื่อหล่าเนื้อตรัสว่าเนื้อหนีไปทางด้านของผู้ใดผู้นั้นนั่นแลมีสินไหมอย่งนี้แล้วได้เสด็จลงจากรถได้ทรงถือธนูประทับยืนอยู่นะที่กำบังครั้งนั้นเนื้อซายตัวหนึ่งเมื่อพวกมนุษย์ ปาดพุ่มแห่งละมะไม้ทั้งหลายอยู่ก็ลุกขึ้นตรวจดูทางจะไปเห็นว่าสถานที่ที่พระราชาประทับยืนอยู่เท่านั้นว่างจึงบ่ายหน้าทางที่นั้นวิ่งหนีไปแล้วมนุษย์ทั้งหลายก็ทำการย่อยเย้ยกับพระราชาเท้าเธอทรงดำริว่าเราจะจับมันให้ได้ในบัดนี้ จึงเสด็จขึ้นรถทรงติดตามเนื้อไปโดยเร็วพวกบรุษไม่อาจติดตามพระองค์ได้พระราชามีนายสารถีเป็นที่สองไม่พบเนื้อแล้วเสด็จกลับทรงสนานและเสวยน้ำนะลำธารอันน่าเรื่องลมแล้วมันทมใต้ร่มไม้ในที่ใกล้บ้านโจรคราวนั้นโจรทั้งหมดเข้าป่ากันหมด ภายในบ้านเหลืออยู่แต่นกสติคุมภะกับคนทาครัวคนหนึ่งนกสติคุมภะบินออกจากบ้านพบพระราชาผู้บันทมแล้วอย่างนั้นจึงบินเข้าบ้านพูดกับคนทาครัวด้วยภาษามนุษย์ว่าพวกเราจากปรองพระชนพระราชาเอาผ้าและอาภรณ์ของพระองค์จากพระองค์ที่พระบาทแล้วลากมา เอากิ่งไม้ปิดซ่อนเสียณส่วนข้างหนึ่งพระราชาตื่นบรรทมทรงได้ยินถ้อยคานั้นทรงทราบว่าที่นี่มีภัยเฉพาะหน้าตกพระหฤทยัยเสด็จขึ้นรถทรงหนีจากที่นั้นไปถึงอาสมแห่งพวกฤาษีคราวนั้นพวกฤาษีไปเพื่อต้องการผลไม้น้อยใหญ่น้องปุบ ป, ปะกก เท่านั้นอยู่ในอาสมนกปุปกะนั้นเห็นพระราชาแล้วได้ทำปฏิสันฐานโดยในเป็นต้นว่า